นะโมตัสสะพะภาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะภวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะภาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอกนมแด่พระครูมีพระจ่า พลังอานิจจาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นครูสอนมนมุษย์และเทวดาทั้งหลายอขอกาบน้อมสักการอุบาอาจารย์และพระเทวานทเทร ะ, ะที่นั่นงชุมอยู่ในเทศกันนี้และขอจะเจริญโภมายัง อุบาสกอุบาสิกาหรือพุทธมามะกะผู้ไข่ต่อสิ่งต่อธรรมผู้ปฏิบัติศาสนาทั้งหลายวันนี้ก็รู้สึกดีใจที่ได้มาพบปะกับญาติพี่นอ้องทางบ้านเก่าบ้านนี้เป็นบ้านเก่าบ้านอายห20ตั้งแต่ เป็นเด็กน้อยหลวงปู่มาสร้างวัดไปเนี่ยพ่อแม่พามาอุปถัมภ์หลวงปู่คำดีโดยมีหลวงพ่อชิคนหลวงพ่อค่อนอ า, อาจารย์กองติดตามมาอยู่นี่แต่ลกตาเป็นเด็กอายุเจ็ดแปดขวบหนึ่งมาวัด น, นั่นไนลยหลวงปู่จะทนก็นมารอหน้าล่อ <laughs> วอได้กี่เห็ดหลายเลยรเราเนี่ยงามเห็ดออกงามเหนียว เ, เ, เป็นเอากินใหม่สีไปหายเจ็บเห็ดไปแก่เนี่วันมุ่นไปว่าท่านไหนสันเดียเศ้างามเห็ดขอนออกก็คเือกันเห็ดงามพระวานได้มาอุปถานอุปทานทอแม่ผ้มามาเมาถึงงงกันมานำเป็น นี่แหละวัดป่าคีริวันธรรมบาญญัตเป็นของหลวงปู่ท่านดีมาปฏิบัติมาสร้างวัดอยู่ตั้งแต่พศก็ได้ 2, ลหลังสองพันเก้าเก้าสี่้อเก้าสิบสองจําไว้เลยฮะอ่าเก้าสองนะครับเก้าสอง ได้มาสร้างโบสถ์ในปศ 2,497 97สลอง97สลองสลองโบสถ์เสร็จท่านก็ย้ายไปพักทําควางแล้วก็เข้าไปอยู่ท่าพระปตรอ่อเ า, าเขืมากาเป็นมูแมนน้งแมนมากจังฮันพุฒิหนึ่นวุฒินี้สร เด็ดนีนโรงปูคัตดีย่ง เ, เป็นบ้านเก่ามหมเนี่ยมากง่อมากอะเก่าๆลยที่น่องฐานกันแล้วก็เหมือนจันจ๊คไฟเป็นไฟโดนก็โดนอ่าเอาวันนี้ก็ได้มาพาพาพาปวดบวดท่านกรก ร, กรคือขอถือ ขรกันัรรนักใจนพรนะพนะุทธเจ้าที่พระสงฆ์เขาเรียกว่าปฏิยานตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธาาศาสนาอุบาสกอุบาสิกาคือผู้ปฏิบัติศาสนาศาสนาเพียงเหล่านี้นะ มาปฏิบัติอะไรศาสนาศาสนาก็ามหมายที่ใจนั่นแหละใจของเรานั่นแหละคือศาสนาศาสนาพุทธพุทโธคือผู้รู้อาศัยอยู่ในลมหายใจนี่แหละพระภูดีเจ้าก็ตั้งศาสนาใส่หัวใจของสัตว์สามแดนโลกธาตว่า พ, ททพุทธโธพุทธศาสนา เป็นศาสนาของนักปฏิบัติผู้ฉลาดนักปฏิบัตินะไม่ได้เป็นตั้งศาสนาที่ไหนที่ว่าผู้ปฏิบัติศาสนาเนี่ยปฏิบัติไหนๆ น, นะก็ปฏิบัติกายว่าใจใจของปฏิบัติใจเดองปฏิบัติศาสนาว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้ปฏิบัติศาสนาย่อลงมา คือปฏิบัติใจของเราในเมยักุศาสนาใจนใจแหละคือผู้ลูกใจนี่แหละคือพุทธพุธโภคศาสนาไม่ได้เป็นปฏิบัติที่อื่นอุบาสกอุบาสิกาผู้ปฏิบัติศาสนาผู้ใกล้ศาสนาไอ้คนใจนะไอ้ศาสนาทีนี้เมื่อเป็นอุบาสกอุบาสิกาแล้ว เราก็ต้องรู้จักว่าคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาเอ้ยจักว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาฮะเป็นมาก่อนนี้แล้ววันนี้มาทางบวชขั้นจำครอถึงนิสสณะเน้าเชยดอกคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาเอาใครตอบได้นะฮะมีกี่อย่าง อุบาสกอุบาสิกามีห้าอย่างคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกามีอยู่ห้าอย่างนึ่งเป็นผู่เลื่อมใสในพละกานาตใจอีกภาคกลุ่มท่เลื่อมใสในพละกานาตใจสองเป็นผู้มีศีลสาม ไม่เชื่องงคนเดกขา่าวสี่ไม่ทำบุญนอกศาสนาห้าทำให้ทำบุญในศาสนาอุบาสกอุบาสิกาต้องเข้าใจถ้าคุณสมบัติห้าวาการมีอยู่ที่เราเราทึงเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกานะอ่ะอาคิดอะไรได้บ้างเนย อ่าเรื่องหนึง่งเป็นผู้เลือกใสในพระราชดำริให้ถึงพระพุทธเจ้าก็ทําพระสงค์เสือพระพุทธเจา้าถ้าทําพระสงค์ว่าเป็นสหน้าที่พึ่งไม่ไปนับถืออย่างอื่ยนะไม่ไปนับถืออย่างเดีนะออย เ, เป็นที่พุ่งนะให้ใจไม่ไปเคารพ นับที่อย่างอื่นไม่ให้ไปกดนับถือและทีอื่นถือว่าเรื่อมใสในพพุทธเจ้าและธรผสม์อันที่สองเป็นผู้มีศีลศีลก็บอกไปไม่ทิ้งศีลห้าศีลห้าศีลพ่อที่หนึ่งสองสามก็ตุ้มกาย ของคนกลุ่มกายของเราเธอไม่เรากายได้ฆ่าชัดรักทรัพย์ ก, ก, กับพฤตินนกรรพูดปดมดเค็กกินเหล้ามอสุราเนี่ยข้อที่หนึ่งสองสาเป็นสีของกายข้อที่สี่เป็นสีของวาจาข้อที่ห้าเป็นสีของใจ คุ้มกาย่าจใจใจค่องน่องีหอาข่อาคุ้มกายไ่าใจใจก็คือสัวนเราเองคือใัห้า่คุ้มตัวของน่องบังคับตัวค่องน่องวางในใรทำบาปทุจริตห้าอย่างนั้นถ้าใครได้ทาบาปทุจริตห้าอย่างนั้นก็เมื่อถ้าเจ้าทำบา ก็จะเป็นเสือพบายาูนไนะ่นั่นนเป็นผู้มีศีลอันที่สามศีลหายได้ให้รักษาแบบพิบายลยาคูนทอดที่สาก็ไม่เชื่อมองคนตป็นพาวไม่ เ, เ, มมเ็นเชื่อข่าวเล่าเลือกันมาไม่เ็นเชื่อเลือกงามยางดี ไม่ให้ไปแต่งแก้เสียเพ้อไม่ให้ไปจากไหวอ้วนวอนพูดหยีกี삭ท่านให้เชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทธรการกระทธรการกระทธรทางตายทางวาจายเชื่อผลของกรรมนะทำดีต้องได้ดี ทำชั่วต้องได้ชั่วทำงานมากต้องได้ผลมากทำงาน้อยก็ได้ผลน้อยกรรมแปลว่าการไปทำไม่ใช่ไปหาออดวนขอให้ร่ําให้รวยให้สวยให้งามออดวอนวงสวมไปแต่งแจ้เสียเคาะไปกราบไปไหว้พูดทีที่สัตว์อันนั้น ไม่ใช่ท่านให้เชื่อผลของกรรมกรรมตั้นแต่ปางก่อนก็มีกรรมปัจจุบันก็มีให้พาดันเข้าใจเชื่ออย่างนี้หลักฐานเทยียนอย่างนี้เห็นผลที่ไม่เรียกว่าบมงคลเดินเท้า อ, อันที่สี่ให้ทา บ, บุญไม่ให้ทา บ, บุญนอกศาสนาพิธีต่างๆ ที่เขาทำอยู่นนเป็นบุญนอกศาสนานะพิธีที่ไหว้เจ้าเข้ารงพิธีอะไรไล่นั่นรวงสวงนั่นนั่นนี่นะนะว่าเป็นทำบุญทำกุศลมันพูดแย่กันนะทุกวันเนี่ยปากทุกคนมันแย่แม่ไปขายปลา ก็ลงปลาเพื่อบุญเพื่อบุญชนเอาบุญเอกไปถ่ายชัดเปแต่งว่าลงอะไรลงปาเพื่อการบุญลเนเถอะนพวกนั้นมาแลกนายกินทักไงเลยบุญชนนี่เนี่ยมืบุญพิธีอย่างนี้มันเกิดหลอกรวงบุญนอกาศาสนาหรือทพิธีรหว้เจ้าเข้าทรงพิธีอะไรเรียกว่ะ บุญนอกศาสนาอาจจะปลูกหลออรวมต้มดุ้นก็ได้นะไม่ได้ไม่เป็เนบุญที่แท้ทจรนะิงเข้าใจแหล่ะนะท่านแ่นี่นทีนี้ข้อห้าให้ทาบุญในศาสนาบุญนี่ทนะเรียกว่าคุณงานความดีกุศลแต่ความฉลาดก็เดียวกันบางทีเขาเรียก ว, ว่ากุศล บุญกุศลอาภุกุศลในศาสนาที่ก็มีอยู่สอย่างนี่เรียกว่าุศลกามมาวถยนกุศลไปนี่แหละกามมารถยนกุศลกุศลที่ต้องเที่ยวอยู่ในการลูบาว์รนกุศลกุศลที่ต้องเที่ยวอยู่ใน ลูกในคมนรกอยูในสวรรค์ชั้นคมเรียว่าูกปะโลบาปจารุศล์อันที่สามอันโปาปจารุศล์กุศลที่ต้องเที่ยวอยู่ในอารมคมสุดท้ายกุศลที่สี่ โลกุตละกุศลขุสนที่ท่องเที่ยวอยู่เ น, น, น, น, น, น, น, นื้อโลกสามโลกุตละกุศลเน้โลกที่ามีศาสนากุศลในศาสนานียมีอยอย่างการมาวจรกุศลลูบาวจรกุศลอะลูบาวจรกุศลโลกุตละกุศล กรบสนกุศลนี่แหละคือผลบุญผลกรรมเนี่ยเชื่อผลของกรรมยู่ว่าทำกรรมดีทำแม่ดีทำกรรมชั่วทำเล่ชั่วกรรมเื่อผลของกรรมของเจ้ากระตะเวกกรรมนี่กรรมขาวคือบุญกุศลกรรมดำคือบาปอกุศลนอจะกกรรมแม่ละกรรมดีคือบุญกุศล กามชั่วคือบาปอกุศลที่ท่านพระพุทธองค์อุบัติขึ้นมาท่านก็มาสอนในแค่นี้อ่าสัพพะปาปัสสะอัตตะนังกุสะและสูปสัมปทาสัรษิจกะติปาริโยพัฒนานะเจังพุทธานาสาสฉนังเมื่อพระพุทธเจาพระองค์ใดอุบัติขึ้นมาในโลกนี้ก็มา สอนเน้นจากการทําบาปทั้งปวงมันจะบาปอะไรบาปทั้งปวงบาปทั้งปวงก็ย่อลงมาอยู่ห้าอย่างคือฆ่าสัตว์รักทรัรพย์กบเท็จขินในสารพูดโกหกงดเท็จกินเหล้าเมาสุลาบาปทั้งหลายทั้งปวงก็ย่อลงมาอยู่นี่ถ้าผู้ใดทําบาป มีมาเชื่อมีกรรมกรรมชั่วกรรมชั่วคือบาปเอาผูศลผู้ใดทำบาป ท, ทำชั่วกรรมดีหรือกรรชั่วต้องได้รับผลของกรรมเมื่อธาตแตกขันดับก็ไปตกอยู่อบายภูมิกุสลสูบประสัมพทาสร้างกุศลให้ถึงพร้อมคือสร้างทานเสียงภาวนาเป็นผศลยังมาทำในวันนี้รนะ ทานก็ทานแล้วรักษาศีลก็ให้ศีลไปแล้วเหลืออยู่อันเดียวคือภาวนานั่นแหะสร้างบุศลให้ถึงพร้อมเมื่อสร้างกุญศนให้ถึงพร้อมแล้วก็ให้ทานศีลภาวนาบุศลคือการภาวนานี่ยสำคัญที่สุดนะภาวนาคือภาวนาแปลว่าการจะทํา ทำอะไรอ่ะมีสองอย่างแยกกเป็นสองอย่างได้แก่สมัชชภาวนาวิปัสสนาภาวนาทานก็ทำแยกศีนันภาวนาแยกออกเป็นสองอย่างหนึ่งสมัชชภาวนาคือทําจิตให้สงบสองวิปัสสนาภาวนาคือทําจิตให้เกิดปัญญาทําจิตให้สงบแล้ว ทำจิตให้เกิดกัญญาอันนี้แหลเรียกว่าภาวนาสามารถทำภาวนาคือทําจิตให้สงบมิปัสฉนาภาวนาคือทําจิตให้เกิดกัญญานี่แหละบุญกุศลทานศีลภาวนาให้ภาวน์เข้าใจนะเมื่อทำดีใี้แล้วจิตเป็นสามมาทิฏฐิจิตจยาก ลงสงบลงสู่ฐานใหญ่ลงสู่ฐานใหญ่จิตลงสู่ฐานใหญ่แล้วก็จะเห็นจิตแท้ใจเดิมของเราสว่างสวัย่องใสเป็นธรรมชาติว่านะเพราะจิตลงสู่ฐานใหญ่ว่าสว่างสวป่องใสทำยังไง มันจึงจะฟองใสให้ก้องภาวนาภาวนาคือสมถาถภาวนาคื อ, อเอาทํำยังไงสมถภาวนาก็อาณาปานในสติเนี่เอาสติมาจับอารมณหายใจอาณาอาณาพอแปลว่าลมหายใจเข้าปานาะก็แปลว่าลมหายใจออกสติก็ทำเรื่องรู้เอาสติมาเลืรู้ลมหายใจเขา้าออกเข้า ลมหายใจดูไปดูมาลมหายใจจางไยหายหไปก็คงเหลือแต่จิตคือรู้รู้รู้เด่นเพ่มเด่นเพ่นในระยะันรู้รู้อย่างนันจะมีว่างนะว่างเป็นศูนย์กายสว่างของใสเป็นธรรมชาติเนี่แหละเอตังาุถานัสสาสนนิททำจิตให้ข่องื่อเก็บใส่ก็นั่นจะมาีิ จิตวางจา ก, กายวางจากท่านหา้าวางจากลมหายใจ จ, จิตก็จะสว่างคล่องแก้วจ่ใสที่ว่าคล่องแก้วจ่ใสนี่แหละเรียกว่ า, วาจิตเป็นธรรมชาติธรรมชาติาจิตลงถึงอารมณ์พระนิพพานแสดงว่าเราเห็นพระนิพพานได้ยังไม่ตายพระนิพพานธาตุาจิตเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติ รู้รูอยู่เฉยๆว่าเป็นสุญญากาสว่างสบางนี่แหละสุญญากามหาภูเทสห์พรับุทเจ้าอาัยอยู่ในสุญญากา น, นี่แหละจิตของแก่จังใสทําได้ไหมหลังฮะนี่แหละทํานสอนพระพุทธเจ้าวา่าเห็นอารมณ์อุปาทาจิตดวงนี้จะมีสภาพรูๆๆ้รูู้เฉยอยู่นะ ของไสสว่างสวยไม่รประกอบการเวลาตายมาเป็นท่นเรียกว่าอาการิโกกิตอาการิโกท่าอิริโกทำทําไม่ประกอบการเวลาว่มีแกว่มีเถาว่มียุติมีเอื้อทีจิตตรงนี้ทึงเรียกว่าธรร ม, มาชาติหรือธรรมชาติจิตของไทยทั้งหมดในโลกนี้ถ้าลงมาถึงตัวนี้ก็ จะเป็นธรรมชาติธรรมชาติด้วยกันหมดธรรมชาตินี่แหละท่านเรียกว่าองค์พระนิพพานเราก็จะถึงพระนิพพานตั้งแตยังไม่ตายนี่แหละบุญบุศสที่ท่านว่าสร้างบุศสให้ถพียงพ อ, นะอเนี่ยเอตังพุทธานาิสาสนาจิตฟองแทีท่วเจ่มใสหลังจากจิตเข้าละมาที่เต็มที่ถอนออกข้อเดินปัญญา ปัญญาไม่รู้แก้ส่อทนม้มหลายม่รู้แก่สึ่อปัจจุบันนีรทมนี้เพราะนั้นมีเรียกว่ากุศลอันนี้ที่แรกการมาแลจรดกุศลกุศลท่องเที่ยวมีการการมาแลจรกุศลมีอยู่สิบอดชั้นอ่าจิบข้าวเที่องเที่ยวได้สิบเอพบสิบเอ็ดทุ่มได้แก่อบายภูมิสี มนุษย์หนึ่งสวรรค์หเป็นสิอชั้นการมาวิจารบุศล์ุศลที่ท่องเที่ยวในการลูบาวิจารบุศลเราก็มานั่งสมาธิภาวนาจิตสมงบว่างสว่างฟ่องใสนี่จิตจะเห็นไปเที่ยวอยู่พุทมโลกเรียกว่าลูบาวิจารบุศล์ุศล์ในพุทมโลกนี่มีอยู่สิบหชั้น ผู้ใดเข้าสมาธิได้เปิผมชาจิตจะไปโอปปาจิตได้บนพรมโลกชั้นที่หนึ่งสองสามมันมีสิบหกชั้นนะลูปาแล้วจวนบุษนถ้าผู้ใดไ ด, ได้ตุตีแยกชาญชาญสองเข้าชาญสองได้จิต ก, ก็จะไปโอปปาจิตได้บนพรมโลกในชั้นที่สี่ห้า ถ้าผู้ใดได้ไดตจะจียชานชานสามเขาสามารถคิจัยงบางอิตสงบได้ชั้นสาจิตก็เจ็โอปปาติกาขึ้นบนสวรรค์พมโลกชั้นที่789ถ้าผู้ใดได้จัดจุดชายชานชานสี่เมื่อธาดแตกขันดับจิตของเราจะโอปปาติใต้อุบัตขึ้นเลยอ่าสวรสูงบนพมโลกชั้นที่1011 12 เหนือชั้นส1อขึ้นไปชั้นส2บสองบสบท่านเรียกว่าชั้นสุดทาวาสิบสองสิบสสห้าสหเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีอาวาสสุดทาวาสอาวาสคือที่อยู่ที่อาศัยของพระอนาคามีมีอยู่ห้าชั้นอาเวหา อัตปาสุทัสสาสุทัสสีาอาการนิฐาห้าชั้นนี้เป็นชั้นที่อยู่ของพระอนาคามิเหนือชั้นพวกนี้ขึ้นไปอีกเป็นเรียกว่าสุทาวาตอาวาตของผู้บริสุทธิไม่กลับมาเกิดในพัน์ของคนเก่งเป็นผู้หญิงก็ไม่เข้ามาในพันของคนเก่ผู้ชายก็ไม่น ม, มาเกิดในพัน จะกัดสลูปเข้าสู่พระ น, นครวนคมมโลกในต้นอายุการอายุ ป, ปายอายุของสุทธาวาสเข้าใจในคมมโนสีชั้นนีเรียกว่าลูบารวจรอิลูบารวจรคมการมาลวจรลูบารวจรอัอลูบาไม่อยู่สี่ชั้น อ, อัลูบคมสี่ชั้นอาบาสาญาณจาจะเกิด น, นะ อิญาญาณญาญตนะอ จ, ยยจินญาญาณญาญาตนะเนีวสญญาสัญญาณาสัญญายาตนะสี่ชั้นนี้เป็นอาลูกผมไม่มีลูกนะชั้นนี้เป็นว่างสภาพ อ, อากาศที่ว่าอากาศาแต่มีอยู่มันละเอียดมากึงว่ามีจะว่ามีหรือไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ลงไปสุดท้าย สีชั้นนี้เป็นอรูปคุเป็นความสุขอันมโหสถ ข, ของสเสวยดีตอยู่บนคมโนอนหลายหมึ่ล้านกับนะถ้าใครมานั่งสมาธิมาหลงติดสุขในสมาธิหลงว่าสมาธิหรือชานเป็นพระนพินพพานเมื่อ้อาตแตกขันดับก็ไปเกิดคุคมโนชั้นต่างๆอย่างที่พูดมาให้ฟังนี้ อ่าต่อเมื่อผู้ใดมาเห็นการมาโลกรูปโลกอารูปโ ล, ก, ลกไม่เชี่ยงแท้แน่นอนตกอยู่ภายใต้กฎธรรมดากฎธรรมชาติยังมีการเรียน่าวกายเกิดในวัฏจัรสงสารเด็กจิตผู้นั้นจึงเห็นดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมเห็น เห็นอาิจจังมันเห็นธรรมดาอาิจ์จันเือไม่เที่ยงฌานหรือสมาธิก็ตกอยู่ในความไม่เที่ยงอาทิย์จังเพื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับทุกขังเนี่ยนเกิดแล้วมันดับเรียกว่าทุกครังอนัตตาไม่ดีไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขา แม่ใจยึดใ้บังคับบัญชาไทยเมื่อผู้ใดมาเห็นโลกทู้งสามตามมาโลกลูกโลกอรุณโลกตกอยู่ในกฎไจรักยานคืออนิจังทุกขังอำนาจก็เรียกว่าดวงตาเป็นธรรมเห็นสัจจะคือความจริงไม่เบื่อหน่ายในโลกทั้งสามจึงไม่กลับมาเกิดเบื่อหน่ายแล้วก็พายความยินดีดับไม่มีเหลือซึ่งขัน ขันทันการมัโลกโูกโลกอารมณโ ล, ก, ล, ก, ล, ก, ลกยิ่งเข้าสู่พระนิพานโลกุตรตะภูมิภูมิที่สี่เข้าใจแม่ละภูมิที่สี่คือพระนิพานไม่กลับมากเอิดไม่แกมม้มาตายยิบ น, นี่แหละอุบาโสกบาเสกาฮะให้ให้ทําบุญนะไล่ใหม่ไล่ให้ฟังใหม่ หนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาคุณสมบัติห้าอย่างเลื่อมใสในพระรัมนตรยใจสองเป็นผู้มีศีลศีลห้าอย่างสามไม่เชื่อมงคลขินข่าวสี่ไม่ทำ บ, บุญนอกศาสนาห้าให้ทำ บ, บุญในศาสนาบุญในศาสนามีบุญอุศล นี่ท่องเที่ยวมีการเรยาวการมาวจอนกุศลลูบาพระจรนกุศลอะลูบาพระจรกุศลแล้วก็โลกุตตะละกุศลนี่แหละผู้ <c oughs> บาศกวาสิกาต้องมารู้มาลูคุณสมบัติห้าอย่างนี้จิงเรียกว่าเป็นพุทธมามากกหรือเรียกว่าเป็นอุบาศกอุบาสิกาผู้ปฏิบัติศาสนา เป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้ใกล้ศาสนาที่นี้จะบอกวิธีอี ก, อกเพิ่มีหติดีหน่อยเพิ่มคุณสมบัติของอุบาสกที่นี้เมื่อผู้ใดมารักษาศีล น, นะเรื่องใสสศรัทธาเป็นผู้มีศีลผู้มีศีลศีล ศีลอะไรก็ตามาศีลของพระก็ศีล2 2งี่เจนี่แหละศีลของเนินก็ศีลสิศีลของแม่ขาวแม่ชีตาพระขาวก็ศีลแปดศีลของโยมก็ศีลห้าศีลห้าศีลแปศีลสิศีลรนี่แหละศีลนี้เป็นศีลสังคมศีลประเพณีโยมต่วันไยก็มีศีลห้า พระแต่ว่าไข่รมีณสินสองรอยยี่สิบเจดอันเป็นสีนสังคมสีนประเพณีนะไม่ปฏิบัติกันเข่มงวดมั่นคงอะไรแน่นนะอะไรถ้าผู้ใดยอยากได้อยากได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นคือพระโสดาบันอ่าอยากเป็นเมื่อไหร่นะฮะพระโสดาัาโสดาเลยโสดา พระโสดาบันต้องปฏิบัติเรื่องใส์ศรัท ธ, ธาเรื่องใสในพระรัตนใจเป็นผู้มีศีลศีลห้าโยมเนี่ยศีลห้าแล้วก็ บ, บวกกุศลกรรมบทศีลใส่กุศลแปลว่าสลาดกรรมแปลว่าการจะทําบทแปลว่าทำทำแต่ทำของผู้ฉลาด ได้แก่นะักปราบมณีมีพระพุทธเจา้าเป็นต้นแต่ทำลงในสีนี้ศสีนห้าวผุศลกรรมบวชสิบผุศลกรรมบวชสิบเนี่ยกายกรรมสามฟังเอาให้เข้าใจนะถ้าอยากเป็นพระโสดาบันกายกรรมสามคือไม่เอากายไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์กับทุกขินในตารวัดชีกรมีไม่พูดปดไม่พูดสออเสีย ไม่พูดคำหยาบไม่พูดเท่าใจหล้วไหลไห้สาระมโนกรรมสามไม่โลภย่างได้เพราเขาไม่ดิจาระยาบาดบุพเพเลนเสด็จเห็นถูกต้องการพนองของธรรมเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงแม่กล้าดยทําบาปมีที่รักมีแย่กิจของเราคุณทำสิบประการนี้เข้าไว้ทังกิจทังใจเราจิตใจก็บรรลุบรรลุเป็น อริยะบุคคลขั้นต้นคือพระโสดา บ, บันอ่าจะพอได้ไหมล่ละเนอะอริยะบุคคลขั้นต้นเดี๋ยวพูดง่ายๆว่าเป็นผู้ที่มีกายดีายดีคือไม่ฆ่าสารรัรว์สับประพืชผิดในการวาจใ ด, ด, ด, ดีไม่พูดโกรไม่พูดส่อเสียดไม่พูดทำหยาดไม่พูดเพื่อเจรวไหลใจดีคือไม่โลภอยากได้ของเขา ไม่อิชฉาพยาบาทบุคคลอืน่นสัตว์อืน่นเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเพื่อเห็นผูกต้องตามนองของธรรมเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงไม่กล้าไปทาบาปในที่รับที่แก้งเราก็จะเป็นผู้ที่มีใจดีวาจจดีใจดีกายสะอาดว่าจายสะดใจสะอาดกายประเสริฐว่าจาประเสริฐใจประเสริฐเราก็ได้เป็นบุคคลผู้ประเสริฐ ผู้บนเเขาเรียกว่าอริยะอริยะผู้บันเสดผู้ใกจากกิเลสเขาเรียกว่าผู้บันเสดอริยะบุคคลบุคคลผู้ประเสดปิดอบายรูปภูมิได้พระก็สองยี่บเจวกกุศลกรรมมาบทสิบเมนก็ให้เอาศีลสิบวกกุศลกรรมมบทสิแม่เท้าแม่ชีก็เอาศีลแปดบวกกุศลกรรมบท10 ญาติโยมของเราทั้งหลายผู้เป็นพระละว่าความยาวค่ำเย็นก็เอาศีลห้าบวกกุศลตามบทศิลป์เราก็จะได้เป็นผู้มีกายดีวาจาดีใจดีก็ได้เป็นสงสารปกคองของพระเจ้ามู่ใดปฏิบัติดีแล้วเข้ยังไงมล่ะไดีวาจาดีใจดีได้กระเสริฐวาจากระเสริฐใจกระเสริฐยกกายข้ามโคตรกุศลยกวาจาข้ามโคตรกุศล ยกปิดข้ามโคตรทุกค น, คนเราก็ได้เป็นอนารียชนอนาเรียคลบุคบคลผู้ประเสริฐเดี๋ยวจะสงสัยว่ามีเนี่ยดูมีผัวดูเป็นได้พอเป็นได้ไหมนะเป็นพระโสดาบันได้ไหมเออเป็นเป็นได้ไหมได้ไ ด, ได้นั่งวิสาขันนี่อยู่วอนที่สิบพฤษนีนเป็นพระโสดาบันเลยเอาวันนี้ก็พูดมา ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนะมาเน้นน่เนี่ยรู้จักคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาคืออันนี้มาให้บวชขั้นดำผู้ผู้ใดเกิดไข้ได้ป่วยหรือเข้าเป็นศีผ้าฝีโร่ด้วยอันนั้นน่นี่อยู่เมื่อมาแสดงตัวเข้าถึงพุทธมามากาเป็นบวชขั้นดำแน่ เราจะหายทุกหายโศกหายโลกหายใครได้นะเข้าใจไหมแล้วไม่ต้องไปกาบปูโตปูด้าต้นไม้ภูขักต้นไม้หรือปาสารลางเจดีลางอันนั้นไม่ใช่ที่พึ่นพระพุทธเจ้าว่าเมตังโกสลนัคเขมง น, นั่นไม่ใช่ที่พึ่นทระเกษมเมื่อบุคคลใด โยจกคุณทัตจักรธรรมจากสังฆังจักเมื่อบุคคลใดมาถือเอาพระพุทธเจ้ามาทำประสงค์เป็นสาระนิยมเห็นอริยสัจสี่บุคคลใดมาเพื่อนี้จี่เป็นที่พึ่งอันเกษมเอตังสาระนิเฉมเอตังสรณะมุตจมังที่เพึ่งอันสูงสุดนะ ผู้ใดมาถือเอาอนี่แล้วยอดพ้นจากทุกภัยทั้งปวงดังได้แสดงมาก็สมควรแก่เวลาเอวัง